หจิตหนึ่งวงเล็บเปิด1 15มิถุนายน2551วงเล็ปิดนิพานเป็นหนึ่งเป็นธรรมที่เป็นหนึ่งจิตซึ่งไปรู้นิพพานก็เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดจิตหนึ่งหลวงปู่ดูลเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดจิตหนึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดใจหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่า ในเครื่องหมายคำพูดจิตเดียวหลายสำนวนนะจริงๆในภาษาทางอภิธรรมเขาจะเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดโลกุตระจิตเป็นจิตซึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งก็จะไปเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งคือเห็นนิพพาน 2. เมื่อเรามาหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งจะเห็นว่าโลกข้างนอกว่างเปล่าส่วนที่หนักๆที่เป็นทุกข์นั้นอยู่ที่ใจเรานี่เอง ใจเรากับโลกข้างนอกไม่เท่าเทียมกันถ้าเราภาวนาไปอีกช่วงหนึ่งจะพบว่าโลกข้างนอกก็ว่างเปล่าใจของเราก็ว่างเปล่าเสมอกันจิตจะมีสมาธิบริบูรณ์แต่ถ้ามันไม่เท่าเทียมกันมีข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งเบามันจะเกิดการเคลื่อนไปเมื่อมันมีความต่างสากแล้วมันจะเคลื่อนเหมือนระดับน้ําที่ไม่เท่ากันสองถังมีท่อต่อตรงกลางน้ําที่สูงก็ไหลไปสู่ที่ต่ํา จิตมีธรรมชาติไหลลงที่ต่ําโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ถ้าภาวนาไปจนเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าจิตใจภายในก็ว่างเปล่าเสมอกันจิตก็จะมีสมาธิบริบูรณ์นี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีจิตจะไม่หลงไปหาโลกข้างนอกอีกแล้วไม่รู้จะไปหาทํำไมเพราะอยู่กับตัวเองก็สบายดีอยู่แล้วถึงภาวนาอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดต้องภาวนาจนข้างนอกข้างในเป็นอันเดียวกันหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อมายี่สิบกว่าปีแล้วว่า เครื่องหมายคำพูดเปิดวันใดที่เห็นจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเธอจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดในรวดเดียวเลยปิดเครื่องหมายคำพูดคือเมื่อใดที่เราภาวนาจนสามารถสลัดคืนจิตให้โลกไปได้จิตกับโลกเป็นอันเดียวกันอย่างนั้นคือปล่อยวางโลกภายนอกปล่อยวางโลกภายในพอปล่อยวางแล้วมันก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกันล้วนๆจิตที่หลุดพ้นออกจากภายในออกจากภายนอกนี้แหละคือจิตหนึ่ง จิตที่เป็นอิสระไม่ใช่จิตที่เป็นคู่ไม่ใช่จิตที่เป็นสองจิตที่เป็นหนึ่งในอภิธรรมเรียกว่ามหากิริยาจิตมหากิริยาจิต è, ไม่ทํากรรมแล้วไม่ขยับขยื่อนภายนอกว่างเปล่าภายในเหมือนก้อนหินและท่อนไม้คือไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยจิตที่เป็นหนึ่งนี้ครอบโลกครอบจั ก, กรวาลเต็มโลกเต็มจักรวาลเมื่อมันเต็มโลกเต็มจักรวาลแล้วมันไม่เคลื่อนไปไหนอีกแล้วเพราะมันไม่มีที่ให้เคลื่อนไปไหนอีกแล้ว จิตกับธรรมะก็จะรวมเป็นอันเดียวกันธรรมะซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆซึ่งไม่เกิดไม่ดับก็เต็มโลกเต็มจั ก, กรวาลต่อหน้าต่อตาเห็นสุญญาตาหรือนิพพานครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเต็มบริบูรณ์ไม่เคยบกพร่องนิพพานไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยหายไปไหนจิตที่สัมผัสนิพพานจะมีความสุขล้วนๆเราจะสัมผัสนิพพานได้ถ้าเราปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้ว